สิลรกบุทธศาสติสนายุการสิลีประพุทธศาสติสนายุกา ร, ร, รานาารับจำดินแต่วันพินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้ว 2, 5, 56, สองพันหายหพรรษาปัจจุบันสมัยเสือถินที่ย2ส ปอลกดาคมจันวันนี้มีในเรื่องต้อหลอชาวพุทธวิจารจะเป็นกระบดดด้วยแต่การละจนนี้ต้นหน้าตอนนี้ฝ่ายขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธศาสนิกชน ต้องใจจะรับรับฟังการแสดงธรรตามกาลสมัยวันนี้เป็นวันขึ้นจุดห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาประจำปีสองพห้าอยห้าสิห กหล่อหล่พุทธเาสฉิีชนก็พากันมาสมาทานถึงอยู่วัดวาารามเพื่อศึกษาทมคำสอนพระเจ้าฝึกตนสอนตนเพื่อให้มีคุณภาพมีคุณธรรมยิ่งขึ้นตามจตุกข์ของเจ้าำลัง จอมเป็นเหมือนการชีว้ตของเรานี่ต้องให้ส่วนประกอบฝึกหัดสายใจเราพิจารณานี้ต้องเอากายไปต่อเ อ, เอาใจไปต่อเอาความถูกต้องต้องก า, ายไปลักความไม่ถูกต้องต้องเอาใจไปลักความไม่ถูกต้อง จะฝึกตนสอนตนแก้ไขตนเกือนตนเองแต่ต้องอาศัยชีวิตร่อมช่วยบ้างเป็นวาจาตามเป็นที่ความเพผนผลกุศลเป็นข้าวัดเป็นวัดเป็นสถานที่ทำบุญเป็นข้าวัดต้องเลาะชั่วทำดีมีศีล จะเป็นสิ่งวรื่อนหนึ่งที่จะกอบกู้เราทำให้จิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ตามทุกคนแล้วก็จะมีพระสงฆ์ผู้อาจารย์ขอยที่น้อมสังสอนจากท่านผู้ลู่เป็นผู้น้อมในหัวหน้าน้ำพรา บอกผิดบอกถูกเพื่อเป็นส่วนประกอบในการศึกษาอธิบัติธรรมยศของเรานี้จำเป็นต้องมีครูอาจารย์ย็นตามพ่อก่อตามครูครูคนแรกของโลกคือพ่อแม่แล้วก็เป็น ครูคนแรกคือพ่อแม่ของเราได้สอนเรามาวนจะเป็นสิทธิ์ที่มีครูทั้งนั้นเราที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เราดีเองส่วนความชั่วเราหายเองอาจจะติดกับสิ่งอื่นได้สิ่งมันต้องไมดีก็ติดได้ ส่วนความดีนั่นมีครูสอนรู้ดีรูยชั่วแต่ยังเป็นตีเป็นเพื่นๆแต่การกระทำเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราเราชั่วทำดีทำได้แล้วละของชั่วได้แล้วทำวามดีได้แล้วอันนี้จึงจะเป็นส่วนตัวของเรา ที่จะเป็นศิกหน้าภูงใจญุ่มค่าที่ได้เกิดมาเวดเราต้องมีแจน่นเป็นมรรคแห่งผลือนต้นไมยที่อยู่ในดินที่ปลูกเอาไว้นานปีเท่าใดก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมีแก่น ม, มีลำต้นใหญ่โตเป็นใบเป็นต้นชุง ทถ้ามีโอกาสจะพาไปดูต้นไม้ใหญ่ที่อยู่วัดจังหวัดเลยไม่เกิดมาไม่่อ็เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เอาขึ้นจากแม่น้ำเลยมาไปเกียนใหญ่จะพาไปดู ต, นนต้นไม้มันไปยามสร้างตัวมันระเด็นพันปีมาแล้ว เขาอย่างบ้างก็ดีในปีอิจฉะต้นไม้ยืนอยู่ที่ใดมันพยายามที่สร้างตัวของมันให้เข้มแข็งเช่นวัดของเราแต่ก่อนก็มีป่าหญ้าคา้าป่ากล้วยแต่นี่ก็มีต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่นานหน่อยที่มาอยู่ ใ, ใหม่เป็นต้นชงเป็นต้นเสาไปแล้วก็มีได้งานได้แล้วก็มี ก็มีเกณฑ์วิธเราต้องมีเกนฑ์พรเจ้าเคยสอนภาวะผู้ใดมีเกณฑ์จะทนอยู่ได้ผู้ใดไม่มีเกนก็ทนไม่ได้การอดทนทำให้เรามีเกณ่อขี้เกียจยิ่งขึ้นเวราเรามีแต่โมกใช้งานไม่ได้ฝึกหัดถึงอดทน ิมาจ้องฉินเครจินข้าวมือเย็นก็ไม่ต้องจินไปคุยกันเคยชุบผีก็ไม่ต้องสูกเคยจินหมากก็ไม่ต้องจินโดยเฉพ่อในช่วงขวัญสานี่ต้องสมาทานเทวอทิษฐานปลณมีอธิษฐานใจบ้างตั้งเป้าไว้บ้างจะหม้ยปลายทางเราอยู่ที่ใด อะไรที่มันดีที่ฉุดที่มนุษย์ที่เราควรจะได้จะมีเป็นบุญมีหรืออย่างกุศลมีหรือย่างมาผลนิพพานมีหรือย่างหรืออย่างอยู่เพื่อนๆล่าสมัยยังโกรธย่างโลภอย่างหลงอย่งทุกข์อยู่คนอื่นก็ไม่ทุกข์เขไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วก็มีเราจึงน่าจะเอามาอุดเป็นบทหนสอนตัวเรา อะไรที่เร า, าได้ไปบ้างที่ดีกว่าเก่าปีนี้อะไรดีกว่าเก่าอะไรยังยังเร็วกว่าเก่าควรจะพัฒนาตัวเองอธิษฐานใจอธิษฐานข้าฝันสาตั้งเป้าไว้การอธิษฐานนี่ก็มีทุดงขวัดโคตรเรานิสัยใจคอที่ไม่ค่อยจะดี จะหลิดนิดสัยลาค่าจะลิดโทษะจะลิดโกหาจะลิดโรดง่ายหลงง่ายทุกง่ายโคตรกองันโดยมีสติสงจัญญายับจังช่างจิตอย่าผุนผันเันแน่นู้จับขักห้ามสอนตัวเองตังตายก็ให้มีละเบียบโดยพูดท่ามก็โยดพูด แสดงออกทางจิยอาญายาดแสดงออกทางกายถึงใจมีสติดูปายเคลื่อนไหวเหตนใจมันคิดได้สอนกายได้สอนใจเป็ น, นตัวโดวยเพราะวิธีปฏิบัติฝึกตนสอนตอนนี่มีหลักที่เป็นทฤษฎีแน่นอนอยู่แล้วตั้งใจว่าให้ชอบดีด สร้งไว้ดีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าเพิ่งด่วนรอบด่วนปฏิเสธนี่เร่าสติยินดีก็ยิ่งไปยินดียินได้ก็อย่าเพิ่งไปโทษถึงถึงยินได้ให้รู้สึกตัวเสียก่อนก็จะตอบโจทย์ที่มันเกิดขึ้นก็ไม่กันไรู้จัปล่อยวางมีสติ อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งยอมรับสุข ก, ก็อย่าไปยอมรับง่ายทุกข์ก็อย่าไปยอมรับง่ายดีใจก็อย่าไปยอมรับง่ายเสียใจก็อย่าเพิ่งไปยอมรับมันง่ายความโกรธความรู้ความโงก็อย่าเพิ่งไปยอมรับมันง่ายให้มีสติเป็ น, นวนบานลองก่อนกหัหวหน้า ยามเฝ้าออบ้านถ้ามีอาคันตุกะมาก็ต้องถามค่อยล่อยเข้าไปหรือบอกอะไรต่างๆแจ้งให้รู้เจ้าของบ้านรู้บางทีก็ไม่ต้อนรับไม่มีที่ให้อาศัยไม่มีคุค่าสิทธิที่ย้อนมามีสิทธิ ความหลงเราจะมีสติไม่หลงในตอนรบไม่ตนรับความหลงความโกรธมีสติไม่โกรธเราไปตอนรบความโกรธความทุกข์มีสติไม่ทุกข์ไม่ตนบความทุกข์ติของเราจงี้จจะไม่เปิดเบื้องควิจิตใจของเรา ของเราใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันก็เปืเป้อนได้ปล่อยความหลงไปในกายในใจปล่อยทิ้งความทุกข์ไปในกายในใจมันก็ติดได้ถ้าเราไม่หัดไม่ดูแลสาธนะป่าเทียนสามสอนคอยพูดอยูเสมอว่าโสพินีของกายโสพินีของจิตใจ รอบใช่อะไรทุกอย่างจึงดูเดือให้ให้คุ้มการมาแลา้วาฉิบมาอยู่วัดเนี่ยหรือปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูแลมาดูแลกายใจของเราไม่ปลอดภยัยดูแลกายใจให้คุ้มน้างสารกายไม่ใจนี่แล้วป่อยท่งมานานเหลือเกิน รู้เฉียบความสมดุลไปหมดวันไหวได้อะไรเกิดขึ้นมาก็วันไหวไปทางนั้นนิทาก็วันไหวเสใจสันเสวันไหวไปถึงความดีใจโดยเฉยๆให้บุญเทีลงสักหน่อยผู้เข้าะรอทางทิพยเส้นโลสมาธีีนี่ ว่าสิ่นเคยสิลาคือหนัดแน่นไม่หวั่นไหวไม่เปลวหนัดให้หนัดแน่นเอาไว้ยึดไว้แข็งแรงเอาจุดโดนอยู่ตรงไหนเชื่องแสงตรงนั้นกำลองจ๋ากลังโูการก่อสร้างสลาดประชาคามน้อมใจคอยดูจุดโดน มันอยู่ที่ใดเราก็าไปเย็นดูค่อยบอกก็เดยแก้ถ้าจุดไหนไม่มีจุดดอนก็ปล่อยวางก็ไปดูจุดดอนก็ผิดจริงๆแก้เลยทิ้งไปแล้วไม่ต้นหนึ่งก็ชาไม่มีการคำนวณไม่มีสาสนปณิไม่มีศาสนัปนึกคิดคำนวณไม่เป็น ทำไปทำตีชิด อ, อกน้ำหนักยังไงยังไงไม่ค่อยๆจัมดมายาวๆก็ตัดทิ้งไปนี่ก็ก็เสียหายไม่เหมือนปูนเนาะไม่เลยปูนนี่ถออลกแล้วต่อได้ไม่แค่ตัดแล้วมันต่อไม่ได้มันทำยากหน่อยการทำไม่ นันเหมือนการทำปูนยืดของเราก็ทดลองไม่ได้ตายของเราทดลองไม่ได้ใจของเราทดลองไม่ได้ถ้าโกรธก็โกรธแตแล้วเสียไปแล้วติดไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้แต่ทุกข์ก็ทุกไปแล้วเอาคืนไม่ได้มันไม่เช่ทดลองก็เราไม่ฝึกหั ด, ดมันก็จะ ไม่มีคุณภาพเลยกายของเราใจของเราเราก็พึ่งการไม่ได้พึ่งใจไม่ได้ไม่ถือโทษเป็นทุกข์เรืงกายเป็นทุกข์เรื่งใจใช่ไม่เป็นเกิดโลกไปใค่เกิดขึ้นมาก็มีเปิดโลกไปใค่เกิดเปิดากการใช่ไม่เป็นแตใช่ตนก็ก็มีคุณภาพเราตัวจสอเอง ฝิกใจให้ช่วยกายฝึกกายให้ช่วยใจก็อ ม, มาเพิกมันลงโทษกันจิตใจลงโทษกาย ก, กายกลงโทษใจเวลานอนหาเรื่อไปคิดกายเหน็ดเหนื่อยไม่ลับทั้งวันทำงานทั้งวันตนที่จะุดแต่เท้านจิตใจก็บังคับมาคิดโน่นคิดนี่นอนไม่หลับ มาช่วยกันกายจิตใจลงโทษกายยงยเต็ที่แล้วเหาหลายครั้งแล้วหลับไม่ลงคิดหั่งทิวจิตใจหยุดคิดก็ไม่เป็นไม่หาดก็ไม่เป็นมาอาจะดื้อด้านไปจนแล้วด้านไปเลยด้านในความคิดคิดอะไรก็ได้หรือใจเนี่ย มันก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเราไม่ได้หัดตัวเองสอนตัวเองิ่งมันก็ไปได้เพิ่งใจตัวเอก็ไปได้พิ่งกายก็ไปได้ไขอพิ่งอันอื่นสึ่งอื่อัตถุอื่นที่พิงอาศัยเออตัวเอง ติ้งปรบพฤติประามประสงเต็นเจาิญนามีคุณธรรมใชอตัวใช้ตนเิดเาะือผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานความรู้ของเต็วมวัวบกบาลก็ ค, คือตัวเรานี่อยากี้ไปหาคนอื่นเดี๋ยวถูกหล อ, อ, อกอบุญก็แปลกับคนอื่นเดี๋ยวถูกหลอก อาบุญต้องหาในที่กาที่ใจเรานี่นนก็กากกหาโนอกกายนอกใจหรือว่านอกศาสนาชาวพุดธไปควรฉะนั้นาบุญนอกศาสนาคือนอกกายนอกแใจทำพิธีเป็นอีนู่นเฉยกายคนใจไม่ได้หัดตัวเองแม้แต่ว่าจะได้วุญธำไม่ถูกแต่ทำไม่มันถูกมันอยู่ที่ใด ปหาที่ไม่ถูกมันก็ไม่ได้ไม่เห็นแต่บุญไม่ถูกบุญและบาปไม่ถูกบาปก็มีเหมือนกันเชียเวลาช่นลานี่เราพูดทั่วโลกกำลังดังเรื่องพระหลอกลวงหลวงปู่เนนคำที่เราเรียกหลวงปู่แนนคำดังๆฉนนั้นเป็นนักโทษ หนีไปจากมุทเทศกำลังติดตาให้สมตัวกับดรื่องด่างทั้งนั้นเราก็ไปเชื่อคนอื่นจะไม่เชื่อตัวเองก็ดีเป็นเรื่องของเขาเขาเชื่อเป็นเรื่องของเขาก็มาฝึกเราเนี่ยพี่เจ้าสอนเอเพิ่งตนเองจะเชื่อบุคคลที่คนเชื่อ อย่าเชื่อพบจริงที่เราลือะไรจริงที่เหยีแดนจนักบันเดินไม่เชื่อจรรมาเชื่อเรนนายราจงทำ ม, มัถูกซะดูราการใจของเราเนี่ยมีติเนี่ยสอนาจสอนใจเราเนี่ในทีเดีที่เราจะสอนตัวเราเอาโอกาส นี่จิที่มาจิวัตรวาอาลามมวันหนึ่งคืนหนึ่งอดปลึกตนสอนตนอยู่ในวงชสงบลงได้ตนหาปริมิเวกสามารถเรียกได้วันนี้แล้วก็ใส <c oughs> ่ใจสักหน่อยหาเวลาที่สอนเรียนให้ได้เป็นช่องวาง จุดอ่อนจุดเชื่อมไม่อยู่ที่ใดมีจิติเป็นหน้าลออถ้ามีจติก็เห็นเหมือนป้อมปาการจิตตินี้เป็นป้อมปาการถ้าเ็กมาทางใดก็ดูแต่ถ้าเฉกมาก็ปอบแม่กคมลำพลถูก ตัวตื่นแทบเป็นสติเป็นกำลังพลตอบคาฉึกได้มาทางความคิดก็ลู่มาทางกายก็ลู่มาทางตาก็ลู่มาทางหูก็ลูหมดทางจมูกด้วยการจอก็ลู่ที่ว่าพลังคนสามารถคุ้มครองได้ถ้ามีสติก็แสจงแดงว่าไม่มีกำลงังพลคาฉเข้าถึงตัว อะไรเกิดขึ้นก็พอใจให้พอใจอย่างข้าฉึเข้าถึงตัวแล้วเราก็เป็นอยู่นั่นมานานแล้วรู้ฉึกตัวซะเปลี่ยนมาเป็นกรมรู้ฉึกตัวซะตาเห็นรู้กัรู้จึกตัวหูที่ยินเสียงก็รู้จักตัวสมองได้ยินก็รู้ฉองได้ยินคิดเนี่ยก็รู้ฉึกตั ว, น, ต ว, ว, น, น, ตวนี่ว่ากำลังพลตอบข้าฉึก อำลาเชก็ออนลาถ้าหลงเวลาใดลู้ขึ้นมาฆ่าเชก่อนลาถ้าทุกเวลาใดลู้สากตัวขึ้นมาก็าเชก่อนลาวดด้วยใก็ลู้จากตัวซะฆ่าเชก่อนลาเคิดจิตตังหาขึ้นมาก็ลู้จากตัวซะถ้าเชก่อนล้าให้แพทย์ไปเองตัด้ชืชันนะชตังเมยนะเวอยเหตุใดเดวอย ไม่เหมือนกันเระละหันอดทน ต, ตบบน่อเรื่องนี้จนช น, นะบอกพันะวะ่าชิดตังเมชี้ตังเมชิดตังเมชนะดูชนะดูนี่นะมีหลายที่หน้าพร้อมใจบางชิดของเราเนี่เกิดมาเนี่ยมั น, ม น, มนยกมือว่ากรงด้าต้มข่าแล้วทีแม่ให้กำเนิดเกิดมาพ่อให้กำเนิดเกิดมา ลูกพอ่อลูกแม่นียไม่เร็วแล้วไม่เร็วดอ น, นฟุ้งใจฟูงใจเลยขอเป็นของเกียร์ทำได้ทุกคนเวลาหลงไม่หลงก็ได้เวลาทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ขอเกียร์ปีนี้น้องตาอาจจรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจะไม่อยู่นี่เหรันนี่มาตอนรับโยง บว a t ี้สามวันนี้แล้ววันนี้ก็จะไป buat จะแล้วก็จะไปไหนก็ดูนะหมูสมมูสมจะปดปดงานให้ให้ทำมะลายให้ไปอยู่โพหลงดีไหม ใ, ให้้ให้วางงานทั้งหมดเราอยากทำมาลายให้สอนอะไรสอนก็สอนมาได้แล้ว ไม่เสียงไหมเลยได้ยินไหมไม่ไหวหมอแล้วการสอนคนไม่ไหวแล้วไม่ไม่ทางมาแล้วอยากโยนีวน่วนไปชรวจไปฉจอที่ไหนไปแล้วสุดีกับไม่ยอมนี่วนไปรัสเชียไปดูลูกโกวิบาดตกเท่นั่นไม่ไปแล้วไปไม่ไหวไปไหก็ม่ได้แล้ว ไปได้แต่เนี่สองสาววันเด็กกันแล้นะเขไม่ไปเลยวงั้นตีนี้อาจจะไปอยู่พ่อลงก็ได้แต่ว่าจะมาด ini, long, ูงานที่นี่บ้านยังดูแลสารประชาคมช่วยชาตรงช่วยหลวงพ่อดำหัวหน้าดำจะดูแลให้เสร็จเนไ เราต้องลำบากยาเจนตอนนี้ก็หมดแค่นี้นะหมดกำลังเท่านี้นะยะอาจาก็พากันจะมาถามถิ่นตามกุณลังพวกเรากราบพระก่อน